ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ จะเรนทำพวกเราทุกคนนะทำไมถึงมาเส้นทางนี้ได้จริงๆไม่เคยคิดเลยนะว่าคืออาชีพอะไรอยากคิดหมดอ่ะอยากเป็นนูน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนั่นมีอยู่อย่างเดียวคือไม่เคยคิดว่าจะมาบวชมีอยู่อาชีพเดียวที่ไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยแต่ก็ถือว่าโชคดีนะขณะที่ เ, เรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ทำงานทำการเสร็จแล้วก็ อะไรอ่ะก็ตั้งใจว่าจะมีอาชีพจริงๆมาตั้งใจจะเป็นศิลปินนะเพราะว่าเรียนจบมาในด้านของพวกศิละปะนะจริงๆเป็นครูเป็นครูสอนศิละปะก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเป็นศิลปินเป็นจิตรกรนะวาดภาพต่างๆเนี่ยมีกลุ่มมีเพื่อนอยู่แล้วด้วยเสร็จแล้วช่วงนั้นเองอ่ะพอเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยากกว่าพบกับสมนาชาวโซงนี่แหละ นะท่านก็พูดให้ฟังนะฟังพ่อท่านเทศท่านสอนเสร็จก็ท่านยืนยันท่านบอกว่าเส้นทางเนี้ยนะที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความสุขยิ่งกว่าบอกตรงๆว่าจะมาไม่เชื่อ <c oughs> ไม่เชื่อบางทียังเถียงกับท่านอยู่บ่อยๆเนะีเถียงกว่าโอ้ไม่จริงอะ่นะนีมีชีวิตแบบโลกโลกนะอยากจะกินอะไรก็กินได้ตามใจเรานึกจะนอนเมื่อไหร่ก็นอนได้นึกอยากจะทําอะไรก็ทําได้ เรารู้สึกอย่างนั้นมีความสุขกว่าบอกชีวิตที่อย่างเงี้ยจะต้องมามีเหมือนอยู่ในกรอบเหมือนมีศีลเหมือนต้องมาปฏิบัติอะไรพวกนี้โอ้อย่างงี้มันในในความรู้สึกเราตอนนั้นนะสึ่งอย่างงี้มันยากกว่ามันจะไปสบายกว่ามันจะไปมีความสุขกว่าได้ยังไงก็เลยพูดง่ายว่าไม่ค่อยเชื่อแต่คือไม่ได้เชื่อว่าอย่างนั้นจะเป็นจริงนะแต่เชื่อตัวบุคคลที่พูด อย่างเช่นพ่อท่านอย่างเงี้ยมาเชื่อว่าเออท่านพูดท่านสอนมานี่ท่านคงไม่โกหกอะที่เชื่อว่าไม่โกหกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยเห็นเคยพบเห็นท่านมาเงี้ยหรือบางทีเราได้เห็นกิจวัตรกิจกรรมของท่านนะท่านถือศีลแบบนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านฉันมือเดียวท่านฉันมังสวิรัตินะท่านทํางานโอ้โหบางทีหามลุ่งหามค่ําทั้งเทศทั้งสอนทั้งเขียนหนังสือ คือเราเห็นมาเนี่ยกับตาของเราเองทำให้เราเชื่อว่าเออท่านไม่โกหกแต่ไอความเชื่อว่าจะมีความสุขอย่างนั้นไหมเนี่ยนะไม่เชื่อแต่เราเชื่อตัวบุคคลใี่ไหเพราะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยอยู่ในใจเราอะ่ะทั้งทั้งที่จริงๆช่วงนั้นอะแตมาเตรียมพร้อไมไว้แล้วนะตั้งใจอยู่ว่าเรามีแฟนเรามีงาน เราทำงานมีเงินเดี๋ยวเราก็สร้างบ้านแล้วก็แต่งงานแต่งการคือคือเป้าหมายเนี่ยนะมีพร้อมอยู่แล้วอยู่ในหัวสมองทุกอย่างนะเพียงแต่ว่ามันสงสัยอยู่ท่านั้นเองว่าเอ๊แล้วท่านจะมาโกหกเราเรื่องอะไรคือคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยยังไงอ่ะใครก็อยากมีความสุขในชีวิตทั้งนั้นแะแม้แต่ไปแต่งงานแต่งการมีครอบครัว เราก็คิดว่าเราหวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมแต่นี่ท่านเสนอความสุขยังใหม่อย่างที่มันไม่เคยอยู่ในหัวสมองเราเนี่ยก็เลยสงสัยขึ้นมาจนในที่สุดหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยมาจำได้ว่าเรียนจบเสร็จแล้วก็เลยมีความคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวลองดูสิลองก็คือเริ่มลองถือศีลห้าเริ่มลองปฏิบัติทั้งๆที่เป็นคราวาสนี่แหละอยู่บ้าน ลองไปใหม่ๆเนี่ยเอาลองเลิกกินเหล้าสูบุรี่ลองเลิกไปเที่ยวเตะกับเพื่อนฟูงลองเลิกกินเนื้อสัตว์คือคําว่าลองเนี่ยมันก็ต้องทําจริงๆใช่ไหมแต่พอลองแล้วตอนแรกกะว่าลองสักแป๊บเดียวอะลองดูเท่านั้นเองบอกแฟนเอาไว้ด้วยะนะบอกว่าขอลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเอพราะฉะนั้นดรอปแฟนไว้ก่อน <laughs> พูดง่ายๆว่าหยุดไว้ก่อนนะไม่ไปหาไม่ไปอะไรด้วยนะ เราจะลองดูสิลองปฏิบัติดูว่าจะเป็นไงบ้างพอลองจริงๆขอแค่แบบว่าช่วงเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับบางทีเข้ารรษาเนี่ยสเดือนอะไรเงี้ย เ, เดี๋ยวขอลองดูขอลองดูพอลองไปแล้วเออมันเห็นผลจริงๆฮะพอเห็นผลนี่แหละมันถึงค่อยๆยอมรับความปจริงว่าเออมันมันมีความสุขจริงๆไม่เคยนึกมาเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราได้กินได้เสพได้อะไรทําตามอะไรแล้วทําตามใจเราเนี่ยเราว่ามันมีความสุขมากเลย แต่ที่ไหนได้ล่ะการที่เราไม่ทำตามใจเราได้ดินะเราไม่ต้องไปห่วงหาอะไรอวรนไม่ต้องไปติดไอ้นัไม่ต้องไปติด ไ, นนไอไดไนนน้นั่นนะเราลดละไอ้ความที่โอ้โหไปหอบผวงไปชอบไปอยากได้ต่างๆนานามาเนี่ยเออเราเราหลุดออกมาได้เราเป็นอิสระขึ้นได้โอ้โหมันสบายยิ่งกว่าจริงๆิงถึ ง, งบอกว่าเงินทองก็เหลือขึ้นมาเวลาก็เหลือขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างเหลือขึ้นมามากมายเลย ก็เลยเ ร, เริ่มเริ่มชักยอมยอมรับว่าเออเส้นทางนี้ดีจริงจริงมันพอทดลองมาได้แล้วนี่แหละถึงได้แบบว่าบอกว่าเออแหม่ถ้าลองแค่นั้นมันก็รู้แค่นั้น่ะคือเราพบความสุขขนาดนึงแล้วแต่ ม, ม, มันมันมันยังไม่ไม่ไม่ถึงที่สุดอ่ะท่านก็บอกว่าความสุขยิ่งกว่านี้มันมีอีกอะ่ะแถ้าเราตอนแรกก็ว่า ส, สินห้าใช่ไหม บอเอาสิบแปดสิสิบแปดนี้ถ้าเริ่มเลื่ลอนขึ้นมาไอ้ลองดูศิบแปดลองดูคราวนี้เลยลองพอลองศิบแปดก็เลยมันยิ่งเห็นชัดเหญ่เลยนะว่าโอ้มันสบายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะแต่ในขณะที่คุณลองนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความลำบากบ้างเลยนะมันก็ลําบากนะมันก็ต้องอดทนมันก็ต้องต่อสู้ก็คงไม่ไม่เล่ารายละเอียดหรอกนะแม้แต่สุดท้ายเนี่ยพอลองเริ่มที่จะถือศิบแปดเอาจริงเอาจังขึ้นมานี่ ขนาดกับแฟนเนี่ยที่เคยสัญญากันว่าเอาจะแต่งงานแต่งการกันนะเก็บเงินด้วยกันด้วยซ้าไปว่าเอาเดี๋ยวเตรียมสร้างครอบครัวแต่จะลองก็บอกแล้วก็ลองก็เลยต้องบอกแฟนเลยว่าขอขอเลิกชั่วคราวก่อน <laughs> ยังไงก็เดี๋ยวถ้าไปไม่รอดยังไงแล้วก็ก็ค่อย่าอีกทีหนึง่งแต่ยังไงจะลองก็ต้องลองจริงๆก็เลยลองถือสิขึ้นมาซึ่งซึ่งพอลองแล้วมันก็เห็นจริง ว่าเออมันมีความสุขกว่าซึ่งอันเนี้ยเป็นผลที่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่โกโหกตัวเองใช่ไหมไม่ไปเสียดายไม่ไปอะไรอาวรไอความสุขแบบเก่าๆที่เราเคยทําอะไรได้ตามใจชอบของเราเนี่ยถ้าไม่โกหกตัวเองอันนี้เสแล้วนะยอมรับความเป็นจริงนี้ได้มันจะเห็นจริงๆว่าความสุขแบบใหม่เนี่ยเออมันสุขกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยค่อยๆหันมาทิศทางนี้ จนกระทั่งเนี่ยถึงมาบวชได้นะอาตมาก็ก็เล่าข้าวๆให้ฟังเท่านี้ก่อนนะแต่ที่เรามาดูทางท่านธรรมอุโธเนี่ยนะอาตมาเปิดดูบันทึกของวิาสาสะประมาจิตซึ่งเล่มนี้เขาบันทึกประวัติของสมณะอโศกไว้ตอนนี้มีอันนึงที่น่าสนใจอ่าเขาบอกปฏิกิริยาทางบ้านในขนาดนั้นเนะี่ยเขาบอกทางบ้านนะ่ยคือบิดามดาก็าไม่เห็นด้วยเลย mm hmm. กับท่านมาปฏิทางนี้นะเห็นด้วยกับการไปฏิทินตัวแบบนี้มันน่าอับอาย ไม่สมกับกันเป็นลูกของคนมีฐานะชื่อเสียงของพ่อแม่แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านรุนแรงพี่น้องทุกคนก็ไม่มีใครว่าอะไรลองเล่าให้ฟังมองสิก็ขอจะได้ทำนะจะได้ทำทุกท่านมาเองที่ที่ท่านถามว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยที่หลพ่อยังไม่ไปเห็นด้วยเพราะว่าอะไรไปทำตัวยังไงแม่ก็ไเห็นด้วยไปถึงแสดงแบบ ใส่ซื้อผ้าขาดมันปอนให้พ่อแม่ดูกันเลยคือคือก็แน่นอนนะว่าทางบ้านมีฐานะหน่อยนึงก็ไม่มากจากแที่มาเตว่านะเพราะคนที่เขาเร่ำรวยกับเราก็มีอีกนะก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นหรอกแต่ที่จะอาจจะไม่เห็นด้วยมากกว่าจะมีจากที่ว่ายมพ่ออาตมาเนี่ยทํากิจการโรงเหล้าอยู่ที่นครจายศรีจังหวัดนครปฐมนํามาบ้ายเกิดอยู่นครปฐม คราวนี้พอเราเรียนจบมาเนี่ยเราเราก็มาสนใจทางด้านนี้เนี่ยการที่เรามาศึกษาทางด้านนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปล ง, ปลงตัวเองนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองปุ๊บเนี่ยเราก็คือลดการกินการใช้การอุปโภคบริโภคนะเคยแต่งตัวสวยๆงดงามการแตต่างา น, น้ำเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเป็นรูปธระทที่ทางบ้านโดยเฉพาะพ่อแม่ก็าอาจจะอ่ารับยากหน่อยเพราะธรรมดาคนมีถานาสังคมเนี่ย เรื่องกิตยศชื่อเสียงหน้าตาเนี่ยก็เป็นอันใหญ่อันนึงพวกเราหลาคนที่มีอายุแล้วเนี่ยคิดว่าคงจะเข้าใจดีเหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรลูกเล่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันกิดมา ก, กับขายหน้าเขานะก็ได้รับยากหน่อยแต่ก็ยังดีที่ว่าเพ่อแม่เขาก็ไม่ได้จะแบบแข็งคืนหรือรุนแรงอะไรแต่ก็เป็นบุญขอตมาส่วนหนึ่งที่ตมาก็อาจจะเป็นคนที่แข็งหรือแข็งแรงในส่วนนี้ด้วยที่จะยืนหยัดจริงจัง น, นะก็เลยสามารถที่จะเขี่บตัวมาทางนี้ได้ ก็ขอเล่าย้อนไปนิดนึงว่าพี่น้องธรรมามีห้าคนแต่มาเป็นคนที่สลูกแต่ละคนก็เรียนสูงๆแล้วจบกันหมดนะได้ดีกันมาทุกคนคนที่หนึ่งคนโตก็จบบัญชีธรรมศาสตร์คนที่สองก็จบหมอมหิดลคนที่สามก็จบสถาบันจุฬาส่วนธรรมะก็จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ส่วนน้องปุ่ยอีกคนหนึ่งก็จบหมอเหมือนกันศิริราชอย่างนี้เป็นต้นงั้นแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับความสําเร็จทั้งโลกหมดพอธรรมามาทางนี้เนี่ย เป็นธรรมดาของพ่อแม่ที่ก็ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพียงพอเนี่ยก็ต้องอยากให้ลูกอ่ะได้ดีและสะดวกสบายนะมีหน้ามีตาในสังคมไปกับพี่น้องคนอื่นตัวตมาปีอาจจะแหกครอบ ม, มาคนเดียวนะก็เลยอาจจะไม่เห็นด้วยนี่แน่นอนอยู่แล้วในยันแรกเนี่ยก็คือว่าตามาเอก็ไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลยประมาณสักปี2องปีแต่หลังๆมารเลยกลับไปบ้างนะเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เต็มไปดีแรกๆคือตามาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองปุ๊บเนี่ย ยมแม่เนี่ยเจอหน้าครั้งแรกมองได้หัวจุดท้าสักสองรอบก็ต้องลอยย้อนอีกนิดนึงว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นช่วงตั้งแต่เด็กจนถึงประถมละกันตอนนั้นก็คือธรรมดายังไม่มีอะไรมากนะช่วงมัธยมเนี่ยมาเริ่มสนใจไม่ใช่สนใจธรรมะโดยตรงหรอกเพื่อนเนี่ยเขาไปเอานังสือเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะ แล้วก็เรื่องได้อะไรอิทธิฤทธิเดชอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายแ ก, ยก่กอเขาบอคุยเราฟังเราก็เกิดสนใจบ้างพอสนใจบ้างก็ก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิใหญ่เลยในช่วงมัธยมนะเสร็จแล้วตังหลังมามาเจอหนังสือของท่านพุทธทาสนะที่บอกว่าถ้าเรามีจิตไม่ดีตนะั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยฝึกพุ่นี้ไปเ่ยมันก็ไร้ประโยชน์ยังไงๆก็ไม่ได้แน่นอนมันก็เลยเริ่มเอีย ง, งมาอ่านหนังสือธรรมะบ้างในโจของมัธยมปลาย พอเราเอนทานเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงปีหนึ่งก็เที่ยวเล่นไปตามเรื่องของตามวัยรุ่นไปแต่พอปีสก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะมีชีวิตที่มีสาระมากกว่านี้ก็เลยเข้ากิจกรรมพวกชุมนุมต่างๆก็มีชุมนมพุทธนี่แหละที่ธรรมศาสตร์ก็มีก็เลยไปร่วมกิจกรรมของเขานะตั้งแต่อยู่ธรรมศาสตร์ก็ศึกษาธรรมะมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยเดิในความคิดของตัวเองก็คือว่าโดยเฉพาะศึกษาธรรมะในสายของท่านอาจารย์พุทธทาส ทำให้เราก็เกิดความรู้ความแจ้งในแ ง, ง่ศาสนามากขึ้นหลายเหมือนกันแต่ความเข้าใจตอนนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็คือแค่ไปวัดหรือฝึกสมาธิทำอนาปาทสติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเราก็ยังกินใช้เที่ยวเล่นไปดูหนังฟังเพลง ต, ำ, ตำเรื่องตำราวไปตลอดนะจนเรียนจบพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยตมาบเอนินอยาเป็นช่วงผัวเล้ววตอชีวิตหนึ่งว่าเอ๊จบเราจะไปทางไหนดี ก็มีเพื่อนมาชวนให้ไปเขาเรียกว่าโครงการบัณฑิตอาสาสมัครนะเป็นของอาจารย์ป๋วยเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงระยะเวลาหนึ่งปีโครงการนี้เนี่ยเขาส่งเสริมให้บัณฑิตคือคนที่จบมาหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในชนบทเออตลาเห็นเป็นช่องทางอันหนึ่งที่เชื่อว่าหาสมการพิเศษก่อนโดยเฉพาะมุมคิดที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดเราไม่เคยดพรา ก, กห่างไปเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เมื่อเราโตเนี่ยนะเราจ ะ, ะสามารถจะชีวิตอยู่เดียวได้หรือเปล่าการที่ไปร่วมโครงการนี้ก็เทียบเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ห่างไกลพ่อแม่ไปไปคนเดียวไปอยู่ในชนบทในที่ที่เราไม่รู้จักใครเลยนั่นแหละก็ได้เล่นไปเราก็มีให้เลือกหลายจังหวัดนะแต่มาก็เลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนไกลที่สุดเลยหมายความว่าให้พ่อแม่ไปเยี่ยมไม่ได้อหนึ่งหรือไม้แต่เราก็ไม่กลับมาเยี่ยมไม่ได้อีกหนึ่ง <laughs> เพื่อจะเป็นการศึกษาและอยากจะรู้ถึงว่าเอ้ตัวเราเนี่ย เติบโตขึ้นมาในครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนเด็กลูกแง่แต่พอเราโตปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ก็เลยอยากจะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นดูบ้างทนีนี้การไปอยู่ชีบวิตอันนั้นเนี่ยนะเป็นจุดรุเรศพอต่อเขาจะมาเหมือนกันช่วงอยู่ธรรมศาสตร์ก็อ่านหอธรรมะเยอะส่วนใหญ่เป็นหนังสือของท่านเบญ ธ, ธาตุแต่พอไปอยู่เน้ยปุ๊บเนี่ยก็อยากได้หนังสือธรรมะอ่านเพราะว่าก็อาจจะเคยชินมีรุ่นน้องเขาก็อาจจะส่งหนังสือมาไปให้แต่มีเพื่อนตัวมาคนหนึ่งเขาบอกว่าเขียนจดหมายไปขอที่สันติโศอกสิที่น ตมากร เ, เขียประกาศเอไปสี่แบบมาที่นี่ใบหนึ่งแล้วที่นี้ก็ส่งหนังสือไปให้ตมาได้อ่านที่แม่ลองสอนมันจึงเป็นเวลาประจบะที่ว่าในแง่ของธรรมะในแนวของโอสมที่จะมาได้รับจากการอ่านหนังสือณช่วงเวลานั้นกับการที่จะได้อาตมาได้ไปไปอยู่ไปกินไปนอนไปได้ชนบทนะไปสัมผัสชีวิตเรียบง่ายซึ่งมันก็แตกต่างกับชีวิตตมาเดิมๆ เ, เนี่ยชีวิตตมาเดิมๆ เ, เ, เนี่ยไม่เท่เรียบง่าย มันเป็นชีวิตที่สะดวกสบายแล้วมีทุกอย่างครบพร้อมแต่ที่นั่นก็คือไฟฟ้าไม่มีนะรถรางไม่มีทุกอย่างลาบากหมดอ่ะเพราะไปชนบทที่สินธุลกันดานครนี้ช่วงที่อยู่ไปเนี่ยทำให้เราเกิดมุมมองใหม่หรือมีความคิดใหม่ๆว่าอ๋อทีชีวิตแบบเก่าแบบแบบนั้นชีวิตแบบนี้เป็นแบบนี้ก็เลยเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาบวกกับการที่ได้อ่านหนังสือธรรมะช่วงนั้นด้วยมันก็ประกอบกันนะหนังสือธรรมะเป็นภาคทฤษฎี การที่เรามีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายอย่างนั้นเป็นภาคปฏิบัติปัญญาที่เกิดขึ้นทําให้เกิดเราความรู้ความเข้าใจว่าอ๋ออย่างเก่ามันก็แค่ความสะดวกสบายแต่ความสุขความทุกข์นั่นนะมันก็มีตามอัตราของมันอยู่เหมือนกันแต่ชีวิตเรียบง่ายอันนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่สะดวกสบายแต่จริงๆแล้วได้สําคัญอันนึงว่ามันมีความสุขยิ่งกว่าปัญญาตรงนี้เนี่ยทำให้ธรมาก็เกิดมุมมองใหม่ว่าอ๋อการมีมาก นะโดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มามาที่ความสุขถ้าเราไม่สามารถที่จะลดกิเลสได้เราก็ยังอยากอยากไม่นมากกว่าเดิมอีกมันก็ทุกไปเรื่อยๆแล้วการมีมากหรือการมีอยู่มันต้องทุกสองต่อคือนอกจากทุกของการอยากได้มากกว่าเดิมแล้วเนี่นะเราก็ยังทุกกับการที่รักษาไอ้ของที่เราไม่อยู่ไม่ให้มันหายไปอีกเปรียบเทียบกับคนที่เขามีน้อยหรือไม่มีแน่นอนเขาจะไม่หมดกิเลสเขาก็อยากมีมากกว่าเดิมเหมือนกัน แต่เขาไม่ต้ทุกข์จากการที่ต้องเหนื่อยในการพยายามรักษาของที่มีอยู่เพราะมันไม่มีไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมีมากกับคนไม่มีเนี่ยมีน้อยนี่นะใครทุกข์มากกว่ากันคนมีมากทุกข์มากกว่านะเปรียบเทียบนะบางทีไปธุระบางที่เนี่ยเอารถไปเนี่ยเป็นความทุกข์นะนั่งรถเมย์ไปสะดวกกว่านะเพราะรถไปเนี่นะหนึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุสองไปจอดรถอาจจะโดนใบสั่งถ้าจอดผิดที่สาม กลับมาไม่รู้รถจะอยู่ไม่อยู่อาจจะหายไปก็ได้แต่ถ้าเรานั่ลรเมย์ไปเนี่ยเราลงรถแล้วรถเมย์จะไปไหนก็ช่างมันไปเถอะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะสะดวกแต่ไม่สบายนะนั่งรถเมย์มันไม่สบายนะไม่สะดวกแต่มันสบายกว่ามันสบายใจเนี่ยนะจากตรงนั้นเนี่ยทำให้ตรมาก็เกิดความคิดหลังจากเรียนจบปุ๊บเนี่ยที่จะตัดสินใจแล้วว่าชีวิตเนี่ยหลังจากเรียนจบแล้วเราควรไปทําอะไรเหตุหนึ่งที่เป็นเหตุใหญ่ของตมา ก็คือเรื่องของการกินมังสวิรัตในช่วงที่ไปอาสาสมัครอยู่ที่นั่นอนะ่ะพอดีมันคล่อมปีใหม่แล้วโชคดีที่ว่าได้ไปงานปีใหม่ของชาวเขาเผารีซอนะพอดีไปคบกับหมอโรงพยาบาลอําเภอเนี่ยแล้วเขาก็พาไปจุดนั้นเป็นจุดชนวนทําให้จะมาเริ่มกินมังสวิรัตเพราะว่าจากการที่ได้อ่านหนังสือแสงสูสาโสที่สันที่สันเดียร์โสในสึกไปให้เนี่ยมันก็เป็นความรู้ความเข้าใจของเรา เรื่อยๆแล้วว่าการปฏิภามเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งสมาธิหลับตาในหนังสือที่เด็มาได้อ่านเนี่ยมีตัวอย่างบุคคลที่เขาเขียนลงในคอลัมน์หนังสือเนี่ยเห็นแตัวอย่างว่าอ๋อเป็นฆราวาสไม่จำเป็นพระหรอกเขาก็ปฏิบัติธรรมโดยการที่เขาเริ่มต้นกินมังสวิรัติลดกิเลสลดการแต่งตัวลดการใช้เสื้อผ้าจากต่างนานาเนี่ยแล้วเขาก็เขียนบรรยายมาแต่วาก็ได้อ่านแล้วระทับใจแต่ก็ยังไม่ได้มีการเริ่มต้นไม่จุดเริ่มต้นกันมาคือที่ว่าไปงานปีใหม่ของชาวเขาเนี่ย ก็ไปได้เห็นตั้งแต่เขาวิ่งไล่จับหมูนะเสียงหมูมันร้องแต่มันไอ่อะไรก็เลยไปดูเขาเขาก็จับมาได้เขาก็เอามาชำแหละเอามาฆ่าคื อ, อามาแทงแล้วก็ชำแหละแล้วก็หมอที่ไปเขาก็บรรยายนะให้กับพวกพยาบาลเพราะว่าเครื่องในหมวัวเครื่องในคนมันคล้ายๆกันนะส่วนเราไม่ใช่หมอหรอกเราเป็นครูที่ไปสัมทบนะก็เลยได้มีโอกาสได้ดูกระบวนการต่างๆนาะนตั้งแต่เขาวิ่งไล่จับมาจนเป็นชิ้นมาให้เรากินบนโต๊ะ ตอนนั้นตาก็เลยตั้งเจตเลยว่าจะกินมางสว่วรัวเนี่ยก็เลยไม่กินลหลังจากนั้นก็ไม่กินมาจนถึงทุกวันนี้นะกี่ปีแล้ววะตั้งแต่ปี 22-2 ส, ง, ส, ง, สงมัง้งนะนั่นแหละจุดนั้นเป็นจุดชนวนของตอมาที่เริ่มต้นปฏิบัติทำในแนวอโศกพอเราเริ่มสมาทานบังสว่วนที่จะไม่กินแล้วเนี่ยแรกๆกันนะก็อยากจะบอกว่า ก็แอบกินเพราะว่าไม่ได้ประกาศคือไม่มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะประกาศให้เพื่อนครูตอนที่อยู่ที่นู่นได้รู้ว่าเรากินมังสวิรัติเราก็แอบกินนะก็คือใช้เจเขี่ยกินอาหารร่วมวงกับคนอื่นเขา่แล้วก็เน้อเนื้อๆไม่กินนะแล้วก็กินเมื่อกินผักกินอะไรไปจำเรื่องจำราวอะเนี่ยตอนหลังๆมาพอเพื่อนมาสังเกตรู้ว่าเราไม่กินเขาก็นึกว่าเรากินเจตามเทศกาลแล้วก็รับมุกไปเลยเออเออนีพอต่อเลยเทศกาลไปแล้วเอ้าให้ไม่เลยเออเก็กินต่อไปเรื่อยนั่นแหละ นะพอดีได้จาว่ากลับมากรุงเทพเนี่ยก็เลยแล้วไปพอกลับมากรุงเทพเนี่ยกับเพื่อนที่เรียนอาส า, าสมัครด้วยกันเราก็ประกาศตอนนี้เรากล้าแล้วแรกๆก็ไม่กล้ายังกลัลวเลยประกาศกับเพื่อนไปเลยว่าเราเป็นนักมังสวิรัตเรากินมังสวิรัตเพื่อนเนี่ยแทนที่ว่าจะแบบว่าอะไรอะไม่เห็นใจกับดีนะอยากจะแนะนำพวกเราไว้อันหนึ่งหลายคนมาที่นี่อาจจะเกิดตั้งจิตที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะหลายหลายอย่างแต่คนรอบข้างเนี่ยเราคิดว่ากลัวว่าจะเกิดนู่นเกิดนี่จริงๆไม่ใช่ ขอให้เรากล้าถ้าเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะประกาศว่าเราจะเป็นงั้นเราจะเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างอะ่ะเขาก็จะยอมรับเราเองเรากลัวไปเหตุเรากลัวไปเกินเหตุเองทําให้เราไม่กล้าทำนะเลยต้องแอบแอบทำแต่ถ้าเกิดเรากล้าประกาศเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลก็กลายเป็นความง่ายเป็นนักมังซ่าพอไปกินข้าวกับเพื่อนเราก็กลัวว่าเพื่อนจะรังเกียจไม่หรอกเพื่อนเน่ยเป็นเพื่อนเราเพราะฉะนั้นน่ยเขามามาไอ้นไอ้นี่อิกินไม่ได้ไอ้นี่ิกินไม่ได้ไอ้นี่เอาไปกิน แทนที่บางอย่างเราก็ยังอยากกินเหมือนกันนะกิเลสเรายังมีอยู่บ้างบอกว่เพื่อนช่วยกำกับเราให้เรากินนั่นไม่ให้กินนี่นะเพราะฉะนั้นที่กินก็อยากจนะแนี <S <S ่ยพวกเราว่ากล้าเถอะกล้าประกาศไปเลยไหมแล้วเสร็จแล้วมันจะดีกับเราเองแหละนะเพรว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยสําหรับเราเองมันก็ไม่ง่ายแต่พอเรารู้ดีแล้วเนี่ยความกล้าทําดีมันมีน้อยหน่อยแต่ถ้าเรากล้าที่ประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยทําให้เราสามารถทําดีได้แบบไม่ยากนักเอาละทีนี้พอมา ช่วงตรงที่ว่าแล้วเนี่ยทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าการมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้นํามาซึ่งความสุขมาเป็นความสะดวกความสบายเพราะอาตมาเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็เห็นนะว่าพ่อแม่พี่น้องเวลาขัดแย้งเวลากระตาก็มีความทุกข์เงินทองไม่ได้นํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงคือไม่ใช่เห็นแค่ครอบครัวอาตมาครอบครัวเดียวคือครอบครัวของญาติๆอาตมาซึ่งเขาก็มีฐานะระดับใกล้เคียงกันหรือยิ่งกว่าสมัยก็เห็นก็มีความทุกข์ แต่พอไปอยู่ที่ชนบทเนี่ยเราไปใช้ชีวิตยอย่า ง, ง น, นั้นนี่นะเรารู้สึกว่าโอ้เอ็งนี้มันมีความสุขกว่าทําให้เริ่มสนใจในเรื่อ น, น, นี้และก็ลงมือปฏิบัติโดยเริ่มต้นกินมังสวิรัตเริ่มต้นลดการใช้เสื้อผ้าสมาชิได้ไปนอ่านหนังสือของท่านเล่มหนึ่งชื่อว่าเจริญชีพด้วยการก้าวท่านเล่าถึงสมัยที่ท่านเป็นโคศกทีวีช่องสีและเริ่มปฏิบัติธรรมท่านลดนะท่านเริ่มกินมังสวิรัตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องในตัวเครื่องเสื้อผ้าเครื่องใช้เนี่ยท่านยังทำงานอยนะ เสื้อผ้ามีเต็มตู้แต่ก็ตั้งให้กับตัวเองเดย ว, ว่าเราจะใช้แค่ห้าชุดเออแต่มาก็เรียนแบบว่าเอองั้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะถึงขั้นที่ว่าจะเอาเสื้อผ้าบริจาคบริจาคแล้วโย่ให้ใครจะใครไปนะเราทําเป็นส่วนตัวเราทําแบบว่าเงียบๆแบบไม่เคยมีใครรู้เท่าไหร่เราก็ตั้งใจที่เราเองอว่าโอเคเรากําหนดหมายว่าเสื้อผ้าเราจะใช้แค่เนี้ยไอ้ดอกไหนก็ทิ้งไปในตู้นั่นแหละก็เป็นการที่จะลดการอุปโภคบริโภคลดการกินการใช้นะให้มันเรียบง่ายลงเป็นการฝึกฝนตัวเองนอกจากจะลด การกินนะเป็นกินมักสัตว์กินแล้วกินเนื้อสัตว์กินมื้อเดียวลดการใช้เสื้อผ้าที่มากๆนะให้เหลือน้อยลงแล้วก็มาฝึกเรื่องนอนเคยนอนดึกดูหนังจนรายการสุดท้ายเลิกแล้วก็มาตื่นสายนะก็ไม่เอาละหนังทีวีทีวีดึกๆไม่เอานะดูแต่ข่าวทุกหัวค่ำแล้วพอสามทุ่มสี่ทุ่นอนเลยตอนนั้นก็เลยฝึกคือ ง, ง่วงไม่ง่วงก็ไม่รู้แหละนอนแรกๆก็นอนตาค้างไปจะถึงสักสี 5, ท่ทุ่มห้าทุมเที่ยงคืนก่อนตอนใหม่ๆนะ แต่พอนานๆไปเราฝึกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็หลับได้พอนอนปุ๊บเราก็ตื่นไวพอตื่นไวเช้าๆมืดมาเนี่ยนะตื่นพอนอนสามทุ่มมันก็นอนสักหกชั่วโมงก็ต3สามตีสี่ก็ตื่นแล้วซึ่งแต่ก่อนอยู่บ้านแล้วไม่เคยหลอกกวาบ้านถูบ้านสักผุก่งสักผ้าตื่นมาตอนเช้าไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะแล้วทำอะไรบางอย่างที่มันแบบไปอ่านหนังสือมันก็มีสิทธิ์หลับมันเลยไม่เก่งก็ต้องหาอะไรทําที่มันออกฤทธย์ออกแรงห้องเครื่องก็เก็บเก็บกวาดกวานะเสื้อผ้าก็มีเอามาซักอะไรเงี้ยก็เลยเออดีเหมือนนะ แล้วตอนนั้นก็เปิดเทปธรรมะฟังไปด้วยก็ได้เพิ่มทั้งปัญญาเพิ่มความรู้แล้วได้ฝึกฝนตัวเองเนี่ยแล้วพอมาช่วงปลายๆก็เริ่มมาคบคุนที่นี่โดยมีเพื่อนชวนมาให้มาช่วยขับรถให้แต่มาก็เลย ม, มาขับรถให้สตีโซกเพื่อไปขายอาหารมังสิรัดหลังจากนั้นก็เริ่มมาที่นี่มีธรรวัฒน์เย็นก็มาฟังธรรมวัดน์เย็นเรื่อยๆๆจนตัดสินใจว่าไปบอกโยมพ่ อ, อว่าได้งานแล้วคือตอนนั้นจบปุ๊บโยวพอก็เมื่อไรจะทํางานได้ทีล่ะ แล้วได้งานแล้วที่มูลนิธิทาสันติมีที่ให้อยู่มีข้าวให้กินนะเงินเดือนศูนย์บาทยัพ่อก็รู้จะว่าไงนะเสร็จแล้วต่อมาก็ได้มาอยู่วัดทีแรกๆเลยเนี่ยเป็นฆราวามาอยู่วัดเนี่ยไม่ได้คิดเลยหรือตั้งใจเลยว่าจะมาบวชก็อยากจะไปช่วยงานวัดในทานฆราวาโดยเฉพาะสันติสดุยุคแลกเนี่ย า ข, ข า, าดแคลนฆรวาสเพราะว่าสมัยแรกๆเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่นะมาก็ตั้งใจบวชแค่นั้นแหละมาปุ๊บแป๊บก็คือไปบวชไหมดละสมาเองก็อยู่วัด2องปีถึงได้มาตัดใจบวชทีหลังจากการอยู่วัดทําให้เราก็ได้เพิ่มภูมิอีกว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะให้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในฐานฆราวาสก็ได้ระดับหนึ่งนะถ้าจะได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยการบวชเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะได้ดีกว่าถึงได้ตัดสินใจที่จะบวช อยู่ตามขั้นตอนของการบวชที่นี่นะปะหน้าเนี่ยเลยก็่าไปประมาณปีหนึ่งก็ได้มาได้บวชสองหกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะก็4ี่หแล้วสองหกสี่หยี่พอดีอยนะได้เริ่มมาอยู่วัดปีสองสนะนี่คือความเป็นมาที่ทําให้มาบวชได้ที่นี่พอเข้ามาอยู่วัดนี่นะมันเป็นเมื่อกี้ที่เล่ามันเหมือนว่าเป็นเบื้องต้นของการที่เราได้อะไรมาบางอย่างแล้วเราก็สะพานนั้นมาจริงๆแต่พอเรามาอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนในที่ยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นน่ยเขาว่าในสายสิริอ ย, อย่างเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยล่ะที่ให้เราจะต้องฝืนใจและอดทนอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาอยู่วัดเนี่ยมันก็ต้องมีการเพิ่มภูมินะเพิ่มทั้งปัญญาการศึกษาให้เกิดความลูกของมัขใจยิ่งขึ้นและต้องพยายามฝึกฝนถ้าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยเราก็จะทนกับหลายๆอย่างไม่ได้การอยู่วัดมันไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรามีความเป็นส่วนตัวมีห้องมีหับเป็นส่วนตัวอยู่วัดเนี่ยเราอยู่รวมนะอยู่ห้องอยู่หับต่างๆแล้วก็ดีก็รวมกัน คือการอยู่วัดเนี่ยนะมันมีความยากและลําบากกว่าเราเคยอยู่บ้านอยู่ช่องอ่ะมันสบายกว่าในเบื้องต้นที่เรามีความรู้ความเข้าใจก็จริงอยู่อย่างที่มาพูดแล้วแต่พอมาอยู่จริงๆเนี่ยมันก็เป็นของจริงที่เจออีกแบบหนึง่งซึ่งก็ จ, จะแตกต่างกับช่วงที่จะมาไปเป็นอาสาสมัครแล้วอยู่ต่างจังหวัด ต, ตอนนั้นเนี่ยมันมุมจากการที่มีมากมาไปมีน้อยนะแต่ยังไงก็ยังมีของของเราข อ, ของตัวเราอยู่เยอะแต่พอมาอยู่ที่วัดเนี่ยนะมาเป็นเหมือนกับคนจนคือจนคือไม่มี นึกจะคิดอยากจะอะไรก็ไม่มีตังค์อยาซื้ออ่ะคืออาจาอาจจะมีมาใ้ที่นิหนึ่งตอนแรกๆนะที่มาปฏิบัติทำเนี่ยทางบ้านโยมแม่ก็จะให้เงินให้ทองแต่หมาก็ไม่เอาเพราะเราคิดว่าเราจะมาฝึกปฏิบัติแล้วนะแล้วเรารู้สึกว่าเราเอาจากทาง บ, บ้านมาเยอะแล้วเมื่อเราตัดสินใจมาอยู่วัดเนี่ยเราไม่ทํางานเราไม่มีอะไรที่จะเป็นตอบแทนเขาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหยุดและพอจากการที่รับจากเขาไม่ควรจะรับจากเขาอีกแต่การที่ปฏิบัติทำเนี่ยทําให้เรามาฝึกเป็นคนจนแต่หมาก็เรียกว่าอยากจะบอกว่า ได้สัมผัสความรู้สึกของการที่ว่าไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นยังไงคือนึกอยากจะได้อะไรเราก็ไม่สามารถจะซื้อได้เพราะเราไม่มีมันต้องขอเขาเอาหรือออกก็แต่การอยู่วัดเนี่ยเราจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับเขาเรียกว่าปัจจัย4ก็อย่างที่บอกแล้วที่นี่มีอาหารให้บังสวิัดิหนึ่งมือ้อมีงานให้ทำนะแต่ไม่มีเงินให้เงินเดือนศูนย์บาทจะไปไหนมาไหนเราก็เบิกเบิกพอดีตอนนั้นไม่ใช่เบิกหรอกคือหมายว่าส่วนใหญ่เราทํางานให้ใช่ไหมละ่ะก็คือขับรถให้ งั้นก็ขับรถไปยังไงวัดไปเอานหนังสือจากห้องพระสวุวรรณเนี่ยท่านสิทธิโชยทอยู่ห้องพระสวุวรรณอยู่โรงพิมพ์แต่มันเป็นคราวบ้ามาอยู่วัดก็ขับรถไปก็เบิกก็เบิกค่าน้ำมันเติมรถเราออกแรงอย่างเดียวไงเราก็ไม่ต้องดูแลทรัพย์สิ น, นรถของส่วนกลางงั้นจะกินจะใช้อะไรก็ตามก็ใช้ของส่วนกลางทั้งหมดเลยความรู้สึกของการที่เราเป็นคนไม่มีเงินนี่นะเออมันรู้สึกว่าเออเนี่ยคือความลำบากสําสหรับคนที่เคยมีแต่ว่าเมื่อทําได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสบายเหมือนกัน แรกๆอย่างที่ท่านเตท่านถามว่าออลำบากไหมก็ลำบากจริงๆด้วยเนะพราะนึกอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้โดยเพราะก็ต้องบอกว่าต้องขอเขาเ อ, อาอ่อนยันต้นนะแล้วก็อื่นอีกหลายอย่างของการอยู่วัดที่ว่าอะไรที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยคือความลําบากทั้งหมดสําหรับหลายคนที่เคยไม่เชื่อก็ลองมาอยู่วัดแบบหลายวันบางทีเช่นการประทับเนี่ยมันต้องมีประทับตามจันทร์สิบห้าเ ง, งี้นะต้องมีรักษากของโพธิยปัรจัยธรรมอย่างนี้นะ เดี๋ยวรู้มันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอิทธิบาทสี่สัมมประธานสีเอ๊ะแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกัารปทิธแล้วมาสอดคล้องได้ยังไงเนี่ย